เทศทุกวันเอาอะไรไปเทศ <c oughs> ธรรมะของเก่ากิเลสยวของเก่าเรียนแต่เรื่องเก่าๆแต่โดนมันหลอกได้เรื่อยๆดูกิเลสก็มีแค่สามตัวเอ ง, งโกโลกหลุดหลงไม่ถูกมันหลอกได้เรื่อยๆแล้วพัฒนาเครื่องมือมาสู้กับมันกิเลสมันมาได้ตอนเผลอตอนขาสติ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 ก็มีความไม่รู้คิดว่ามีตัวเราขึ้นมาก็มีความอยากนี่เอวิชาเพื่อทให้มันมีตัณหามีความอยากขึ้นมา้อาวอยากแระใจก็ปรุงแต่งคนโง่คนชั่วก็ปรุงชั่วคนดีก็ปรุงดีเช่นจยากปฏิบัตินะก็ลงมือกำหนดในอภิธรรมเนี่ยสอนว่าเวลาความปรุงแต่งฝ่ายดีเกิดขึ้น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 ยกตัวอย่างนะพอจะมีสติไปรู้ลมหายใจคุยบอกว่าจะมีอนาปนาสติทำอนาปนาสติมีสติไปรู้ลมหายใจไว้กำหนดลมหายใจไม่ให้จิตนี้เคลื่อนไปจากลมเลยกำหนดไว้กับลมเป็นสมถะสติอย่างนี้สติกำหนดนะสูงสุดทำได้แค่สมถะหรือเดินจงกรมกำหนดไว้ที่เท้า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 เป็นสติท <int> ี่เกิดกับจิตที่ชื่อว่ามหากรุสลจิตยานสัมปยุทธ์อสังคาริกังอสังคาริกังไม่ได้จงใจให้เกิดนั้นเกิดเองทำไมเกิดได้เองเกิดได้เองเพราะว่าจิตจำสภาวะได้แม่นในตาราถึงสอนนบอกว่าการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติธีราสัญญาคือการที่จิตจาสภาวะแม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติ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 เรียกว่าสัตสังขาริกังนะต้องจูงใจโน้มน้าวให้เกิดจะอาสังขาริกังไม่ต้องจูงใจให้เกิดมีกําลังกล้ากุศลที่ต้องจูงใจให้เกิดมีกําลังอ่อนไปเจริญปัญญาไม่มีคุณภาพจริงต้องฝึกจนมันเกิดอัตโนมัติขึ้นมายกตัวอย่างนะอย่างส่วนใจเราอยากทําบุญใจเราอยากทําบุญขึ้นมาเองอยากไปใส่บาตรด้วยตัวเองเป็นกุศลมีกําลังกล้าเกิดเอง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 แต่หลังๆเริ่มมีแล้วนะเริ่มมีเอเจนต์เอเจนถูกบ้งเอเจนผิดบ้าวมั่วๆพาเตลิดเปิดเปิงไปก็เยอะ น, นะเช่นพาไปดูความว่างเลวไหลไปดูความว่างไม่ใช่สติปัฏฐานต้องรู้กายรู้ใจถึงี้เป็นสติปัฏฐาน <S <S 1> <S 1> นั้นเราหัดรู้สภาวะไปได้ถ้าใครเขาถามว่ามาเรียนกับหลวงพ่อปรมวอหลวงพ่อปรมโอสอนอะไรนะ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 แต่ไม่ใช่รูปแท้จะเห็นรูปแท้ไม่ใช่ง่ายเลยจนะยเห็นธาตุดินน้ำฝ่ายลมอะไร เ, เงี้ยไม่ใช่ง่ายเลยเห็นที่ไรก็เห็นแต่อย่างเห็นมือนี่หรือเห็นบัญญัติเลยเดินจงกรมอยู่นะัรู้สึกถึงร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่รู้สึกตัวเนี้ยรูปตัวเนี้ยรูปยืนเดินนั่งนอนเนะี้ยยังไม่ใช่รูปแท้บินยักที่รูปนะไม่ใช่รูปแท้รูปแท้แทโอ้ยากสุดๆเลย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 งุดง τι, หงิดนมงดหงิดมันไม่มีดีกรีของโทรสายเศร้าโศกเหขับแค้นเยอะแยะเลยนะไล่ตั้งแต่กอไก่ถึงหอนุนะ่คูกเหอนุ่คู่มีอยู่ตัวหนึ่งหงงนะนะนะมีตั้งแต่กอไก่ถึงหอนุ่คูกเลยนะกลัวกอไก่เกลียดก ไ, ไก่ นะอคอไข่ขุนข้องขัดเคืองคนะอควายเช่นคับแขนเออเอ อ, เ อ, อมีเยอะแยะเลยนะพวกเรารู้จักนะนั่นมันมีอารมณ์ที่ประนีตนะคนไทยเรามีศับเยอะเลยซึ่งมันสะท้อนความรู้สึกที่แตกต่างกันเล็กๆ ก, ก, ก, กลุ่มของราคาราะก็มีเยอะแยะเลยกลุ่มของโทสะกลุ่มของโมหะนะเรามีศับ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 เรารู้สึกอ๋อเี่นไหยตรงอ๋อขึ้นมามันก็มีนรู้สึกใช่ไหมมันเข้าใจขึ้นมานมงงใช่กลับข้างกันตรงข้ามกันอะไรอะไรนะเอเอเห็นไมมพอเข้าใจอ๋อเห็นเออเพราะฉนั้นนามาทําเนี่ยไม่ยากนะคนไทยเรารู้จักมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตาทวดแล้ว